การปฏิบัตินี้ก็เพื่อหยุดความอยากเอาชนะความอยากเห็นวิธีไหนที่เราทำแล้วทาให้มันความอยากมันแพ้เรานี่ก็ถือว่าใช้ได้จะ้นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรใจมันชอบดิน้นนั่งก็อยากจะลุกลุกก็อยากจะนั่งเดินก็อยากจะยืนยืนก็อยากจะเดินมันอยากไปเรื่อยๆ เราลองมานั่งเฉยๆดูนั่งสบายๆเก้าอี้สบายแต่อย่าให้มันทําอะไรดูก็ไม่ให้มันดูฟังก็ไม่ให้มันฟังอย่าเปิดดูทีวีอย่าเปิดฟังเทสอย่าอะไรทั้งนั้นให้มันอยู่เฉยๆหยุดความอยากทำตาหูจมูกเลีงกาย เรานั่งดูสักห้าชั่วโมงดูคิดว่าเรานั่งรถไปเชียงใหม่ก็แล้วน่ะถ้าปวดฉี่ก็ไปเดินเข้าห้องน้ำได้ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนได้แต่ไม่ต้องเดินไม่ต้องไปไหนยืนเฉยๆยืนจนเมื่อยก็ ก, กลับมานั่งใหม่ทําได้อย่างเดียวก็คือพุทโธแล้วดูลมหายใจ สวดมนต์ไปภายในใจวิธีที่จะทำให้ความอยากมันเบาลงเวลาที่มันอยากแล้วไม่ได้ทำอะไรก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธไปดูลมหายใจไปสวดมนต์ไปแต่อย่าคิดคิดแล้วเดี๋ยวมันอยากถ้า อ่านังแล้วมันอึดอาจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องสองอย่างไม่ต้องรวมกันก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมเฉยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าดูไม่ได้ก็ท่องพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือถ้าท่องพุโทโธไม่ได้สวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโสร้อยจบก็ได้อิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะกวาพุทังภะกวาตังสาระพูดสวดไปสวดร้อยจบสวดร้อยจบแล้วก็ต่อด้วยดูลมต่อน้องนั่งเฉยๆทาแต่พวกนี้ดูนั่งทำเมื่อยกันลุกกันยืน ้หิวน้าเกาวน้ามาตั้งไว้สักขวดนึงสองขวดเดื่มน้ำอย่าให้มันไปทำตามความอยากอยากดูอะไรก็อย่าให้มันดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ให้มันฟังอยากจะกินอะไรก็ไม่ให้มันกินไม่ถึงเวลาอเอาช่วงเวลาที่เรากินแล้วมานั่งหชั่วโมงใช่ถ้าปฏิบัติกินมื้อเดียวนี่พอกินเสร็จแล้วก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องกินแลก็มีแต่เรื่องน้ําที่ต้องดื่มก็ขวดน้ํามาตั้งไว้อย่าหิวน้ําก็ดื่ม อ, อย่าดื่มมากเดี๋ยวเดินเข้าห้องน้ําบ่อยเดี๋ยววันจันเรื่องเข้าห้องน้ําบ่อยเดื่มพอคลายคลายความกระหายจิบน้องสามจิบหนึ่งแล้วก็นั่งเฉยๆแต่อย่าปล่อยให้ใจคิดๆแล้วเดี๋ยวจะฟุ้ง เดี๋ยวจะทรมานดที่มันทรมานเพราะมันคิดคิดเรื่องมันอยากจะทำตามความคิดถ้ามันไม่คิดได้นีมันจะนั่งสบายจะอยู่เฉยๆได้สบายถ้ามันคิดก็ต้องใช้ขันติอดทนเอามึงอยากจะคิดก็คิดไปแต่กูไม่ทำตามมึงคิดมึงจะให้ไปดูอะไรไปฟังอะไรไปดื่มอะไรก็ไม่เอา ใจเรานี้มันอยากตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ลองอยู่เฉยๆเราถึงจะรู้ว่าโอ้เดี๋ยวมันก็อยากทํานู่นนะอยากจะทํานี่ลนะอยากจะลุกไปนู่นลนะอยากจะลุกมานี่ลนะอยากอยู่ตลอดเวลาแล้วทําแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความอยากพออยากอยู่ตรงนี้ก็ไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้กิ้งไปกิ้งมาใจเรานี้ ท่านเปรียบเทียบเหมือนลูกฟุตบอลถูกความอยากคอยเตะใช่ไหมเตะไปทั้งความอยากมันก็เตะกันมาทางนี้เตะเข้าไปเตะกันมากิ้งไปกิ้งมาเลยหาความสุขไม่ได้โดนเตะอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่าให้มันเตะเตะก็ไม่ก็ไม่กิ้งตามมันให้มันเตะให้ไม่พอเดี๋ยวมันเมื่อยมันเหนื่อยมันหยุดมันหยุดเตะเองให้มันอยากให้สุสุดไปเลย พอมันรู้ว่ามันทําไม่ได้ความอยากมันก็ยอมแพ้ไปเพอมันยอมแพ้นี่ใจเบาเลยสบายโ่งออกโล่งใจหรือว่าจะให้มันแพ้ก็ใช้พุทโธหยุดมันมันอยากก็พุทโธพุทโธไปต้องสู้กับความอยากปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี่เท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหน พอเกิดความอยากแล้วความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันหิวขึ้นมาแต่พอความอยากหยุดไปนี่ความหิวก็หายไปความอิ่มก็เกิดขึ้นมาความเบาใจความสบายใจก็เกิดขึ้นม า, อาลองนั่งดูเนี่ยเกิดมาเคยเคยนั่งเฉยๆแล้วหกชั่วโมงไมไม่ต้องทำอะไรสบายจะตายหม ทำไมนั่งไปนั่งรถไปเชียงใหม่นั่งรถไปภูเก็ตไปกันได้แต่ห้ามหลับนะส่วนใหญ่ถ้านั่งรถไปก็จะหลับกันทาไมหลับก็ต้องมีวิดีโอดูกันมีอะไรฟังกันใช่ไหมขึ้นรถเนี่ยขาต้องมีบริการขึ้นเครื่องบินเนี่ยนี่เครื่องบินทางกายนี่มีภาพพยนให้ดูมีเพลงให้ฟังมีมีอาหารให้รับประทานมีเครื่องดื่ม มีสารลพา ส, สารละเทต้องไปขึลืนเครื่องแบบที่มันประหยัดแตเขาไม่มีบริการอะไรให้แล้วก็นั่งเฉยๆห้ามหลับหลับนี่มันมันหนีนี่มันหลับก็มันก็หนีความอยากความอยากก็หยุดทำงานไปแต่หนีแบบนี้ไม่ดีต้องให้มัน ไม่หลอกให้มันยอมแพ้ให้กิเลสความอยากมันหยุดไปเพราะมันมันหมดกําลังความอยากนี้มันหมดกําลังได้ถ้าเราสู้กับมันถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็อยากไม่ได้เช่นคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าไม่สูบเวลาอยากไม่สูบเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปพออยากแล้วมันไม่ได้สูบ อยากเท่ไหร่ก็ไม่ได้สูบเดี๋ยวมันก็หยุดอยากเองแต่ถ้าอยากแล้วได้สูบนี่เป็นยงไงก็เดี๋ยวก็อยากใหม่ใช่อยากสูบบุหรี่อ่ะหยิบบุหรี่คว้าบุหรี่มาสูบสูบเสร็จก็ความอยากก็หายไปชั่วคราวความสบายก็ความสบายใจก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยาก ตอนที่มันยังอยากอยู่นี่ใจเราจะไม่สบายแต่เราใช้ขันติความอดทนสู้กับมันหรือถ้าเรามีสติเราก็พูดโทไปถ้าเราพูดโทไปนี่ความอยากมันก็จะถูกสติผักไปกดไปเราก็ไม่รู้สึกทรมานถ้เดี๋ยวทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็พูดโทใส่มัน เดี๋ยวไม่นานมันก็หมดกําลังมันก็จะไม่กลับมาอยากบุหรีอ่อยากกาแฟอยากอะไรก็เหมือนกันอยากกาแฟอยากเครื่องดื่มอยากดูละครอยากกินขนมมันเป็นความอยากทั้งนั้นนะตัวนี้แหละที่ทําให้ใจเราไม่สงบไม่นิ่งไม่มีความสุขกันใจเราเนี่ยเป็นของวิเศษ เป็นของที่ดีกว่าของต่างๆที่เราอยากกันพอมันให้ความสุขกับเรามากกว่าความสุขที่เราได้จากของต่างๆที่เราอยากได้กันถ้าใจมันนิ่งใจมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะทาให้มันไม่อยากได้อะไรเลยพอได้อะไรก็สู้ได้ความสงบนี้ไม่ได้ได้ความสงบแล้วมันสบายอยู่เฉยๆได้ อยู่เป็นสุขอันนี้พวกเราอยู่ไม่เป็นสุขกันให้อยู่เฉยๆกับอยู่ไม่ได้ต้องไปทำอะไรให้มันวุ่นวายไปหมดแล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องทำอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้เพิ่มอยู่เรื่อยๆเรยพราะความอยากเพราะการทำตามความอยาก ไม่ได้เป็นการหยุดความอยากทำลายความอยากแต่เป็นการสร้างความอยากให้มีมากขึ้นไปวิธีที่จะให้ความอยากหมดไปก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากฝืนไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวมันก็หายไปเมื่อเมื่อมันอยากแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมเหมือนคนมาขอเงินเราเนี่ยถ้ามาขอทีมไรก็ไม่มีไม่มี เดี๋ยวต่อไปก็ไม่มาขอถ้ามีให้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวหมดก็มาอีกใช่ไหมเราไปขออะไรเขาถ้าเขาไม่ให้เราเราจะกลับไปคอยไหมขอก็ไม่ได้ไปทาไมไม่ไปดีกว่านหละความอยากก็เหมือนขอทานดีๆนี่ทำให้เราเป็นเหมือนขอทานขอนูน่นขอนี่อยู่เรื่อยๆ แล้วขอเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอพอได้มาล่าเดียวมันก็หมดนะชีวิตของเราก็วุ่นวายไปกับความอยากที่มาเกิดนี่ก็เพราะความอยากพา ม, มาเกิดเองนะพ อ, อยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกายใช่ไหม มีร่างกายก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายไว้สัมผัสอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาไปหาสิ่งต่างๆที่อยากสัมผัสแต่สัมผัสเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอและเวลาไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจแล้วเดี๋ยวร่างกายแก่อยากก็เวลาอยากก็ทําอะไรไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ ไปไหนก็ไม่ได้พอแก่แล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรไม่ได้แต่ความอยากมันยังมีอยู่ใจก็เด่นวุ่นวายแต่ถ้าเรามาฝึกอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆสู้กับความอยากได้เวลาไม่สบายเราจะไม่เดือดร้อนนะเพราะจะไม่มีความอยากมาให้เราไปทำนู่นทำนี่นะทำถ้ามันอยากเราก็สู้มันได้เราเคย เราเคยชนะมันมาแล้วเราไม่กลัวมันนะใครมาฟังเทศที่นี่ต้องลองเอาไปปฏิบัตินะหกชั่วโมงลองนั่งเฉยๆนั่งสบายไม่ต้องนั่งแบบขัดสมาให้มันเจ็บแข่งเจ็บขาทรมานร่างกายตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาขั้นแค่ค่าค่าความอยากแบบหยาบๆก่อนนะความอยากที่ง่ายๆก่อน เมื่อผ่านผ่านความอยากที่ง่ายแล้วค่อยมาเอาความอยากที่ยากคืออยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไปอันนี้ยากเพราะมันเจ็บจริงๆเจ็บกายด้วยเจ็บใจด้วยถ้าผ่านตัวเจ็บเจ็บใจได้เจ็บเจ็บกายได้ต่อไปจะไม่กลัวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเลย ร่างกายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังไงจะไม่เดือดร้อนเลยไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยรับรองได้เพราะที่ปวดมันปวดที่ใจส่วนใหญ่ที่ทรมานทารมานที่ใจใจไม่อยากเจ็บใจไม่อยากให้ร่างกายเจ็บใจก็เลยปวดทรมานก็เลยต้องกินยาแก้ปวดเพื่อหยุดความเจ็บของทางร่างกายแล้วทำให้ใจสบายขึ้นมาแต่ถ้าใจสบายอยู่กับความเจ็บก็ไม่ต้องกิน ใจก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเพราะร่างกายนี้เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราต้องเจอมันแต่เราเจอมันได้อย่างสบายถ้าเร า, เาควบคุมใจเราได้ควบคุมความอยากเราได้ใจเราใจเรามันอยากไม่แก่กันอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันพอเจอความแก่ความเจ็บความตายนี่ มันเกิดความอยากเกิดความเครียดขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราฝึกนั่งนั่ ง, น, งนั่งขัดสมาให้น่่งกายมันเจ็บแล้วก็ดูมันไปก็เหมือนกับนั่งตอนที่ร่างกายไม่เจ็บหยุดความคิดหยุดความอยากไปอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันอยากสวดมนต์ไปพุทโธไปดูลมไปหรือถ้าจะ ใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บมันก็เป็นของร่างกายเราเป็นเพียงเป็นคนมารับรู้ใจเป็นผู้รับรู้เท่านั้นใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจอยู่เฉยใจไม่ต้องทําอะไรเราจะไม่เจ็บที่ใจเจ็บเพราะใจอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าทําใจให้หยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ ใจจะไม่เจ็บเลยใจจะเฉยเฉยใจจะสบายอันนี้มันขั้นต่อไปขั้นที่ยากหน่อยเพราะมันมันมันรุนแรงกว่าขั้นแรกนี้มันไม่รุนแรงไม่มีความเจ็บทางร่างกายเลยมีแต่ความอยากทางใจที่เราสู้สู้กับมันความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละที่ทำให้เราเก่งไปเก่งมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเบือ่อเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสตรงนี้ต้องไปอยู่ตรงนั้น พอไอยู่ตรงนั้นสักพาก็เบื่อรูปเสียงกลิ่นรสตนั้นก็กลับมาอยู่ตรงนี้กลับไปกลับมาควจริงรูปเสียงกลิ่นรสตรงนน้นกับรูปเสียงกลิ่นรตรงนี้มันก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่มันชอบหลอกเราอยู่ที่เรามันจำเจเห็นอะไรซ้ำๆซักซ้ามันจำเจมันเบื่อต้องไปหาของนู้ของใหม่ ของใหม่ก็เหมือนกันเดี๋ยวดูสักพักมันก็จําเจซ้ำซากอีกแล้ความอยากมันจะทําให้เบื่อเวลาเห็นอะไรจําเจซ้ําๆมันก็จะเบื่อมันก็จะอยากดูของใหม่เห็ดูหนังดูหนังเรื่องเก่าสักสิบครั้งดูได้นะดูละครสักสิบครั้งเรื่องเก่าได่ดูได้ดูไม่ได้แล้วแต่ถ้าดูครั้งหนึ่งโอ้อยากจะดูเรื่องใหม่ออกมา แต่ละเรื่องนี้อยากจะดูกันพอดูเสร็จแล้วให้ดูอีกก็ไม่เอาล้วเบื่อแล้ ว, ลวต้องดูเรื่องใหม่นี่แหละคือเรื่องของความอยากที่ทําให้เรานี่อยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่แล้วทรมานกันทุกข์กันถ้าเราหยุดความอยากได้เนี่เราจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานกับอะไรเลยจะมีอะไรดูหรือไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อน จะมีอะไรฟังหรือไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่ดูได้อยู่แบบไม่ฟังได้แต่เรื่องเรื่องของร่างกายเราก็ต้องยอมผ่อนปลนให้มันอย่างน้อยกายมันกินมันละมือน้ามันหิวก็ให้มันดื่มน้ำเปล่าๆอย่าไปดื่มน้ามีสีมีกลิ่นมีรสใช่มมันก็ติดอีกอะ่ะ ถ้าเดินเพื่อร่างกายนี่ร่างกายมันไม่ต้องสีมันไม่ต้องการสีไม่ต้องการกลินมันไม่ต้องรสมันต้องการรถอมันต้องการน้ําน้ําไม่หล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนต้นไม้นี่เราต้องเอากาแฟให้ต้นไม้ไหมต้นไม้ิดื่มกาแฟได้เปล่าต้นไม้กินเป๊บดื่มเป๊ปซี่ได้เป่าร่างกายมันก็เหมือนต้นไม้อ่ะมันไม่ได้มันไม่ต้องการเป๊ปซี่มันต้องการกาแฟหรอก ไอ้ที่ต้องการเป๊ปซี่กาแฟก็คือไอ้ความอยากนี่แหละมันติดในสีของเป๊ปซี่สีของกาแฟกลิ่นของกาแฟรสของกาแฟมันติดรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือตันกิเลสความอยากตัณหาแล้วถ้าลองติดแล้วถ้าไหลก็ไม่พอใช่ไอม <c oughs> ต้องต้องเดิมไปเรื่อยๆจนมันตาย ตายแล้วก็กลับมาดื่มใหม่รู้เปล่าเนี่ยก็กลับมาดื่มใหม่นล้วเนี่ยไม่รู้กลับมากี่ร้อยกี่ล้านรอบแล้วของพวกนี้ไม่ต้องมีใครสอนนะพอเห็นปับ๊บรู้เลยอ้อถูกใจชอบนะเดิมกันกินกันไอของของที่ดีไม่เอากันเนพะอาไม่เคยได้ไดของดีเกิดมากี่ครั้งก็เจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส ไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาที่สอนบอกว่าอย่าไปกินอย่าไปดืม่มให้พุทธโทพุทธโธคนคนไหนที่เกิดในในอดีตเคยได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเคยได้พุทธโทมานี่ก็มาเกิดชาตินี้ก็จะพุทธโทง่ายคนที่เคยเข้าวัดก็อยากจะเข้าวัดแต่ถ้าไม่เคยทำมาก่อนมันจะไม่อยากเข้า ต้องให้พ่อแม่จูงเข้าตอนเด็กๆแล้วอาจจะติดใจพอได้มาแล้วได้สัมผัสกับรถของธรรมซึ่งเหนือกว่ารถทั้งปวงอพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงนี้ติดใจแล้วที่มาวัดเองไม่ต้องให้ใครชวนไม่ต้องให้ใครเดึงมา เราปฏิบัติดูสัก6ชั่วโมงเลยแล้วจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมอ๋ออยู่เฉยเฉยมันสบายกว่าทำอะไรนะม่เสียเงินสักบาทเดยประหยัดเก็บเงินได้เงินเก็บเงินเก็บท่องได้ต่อไปจะมีเงินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเก็บไว้ใช้กับของที่จำเป็นจริงๆซื้อข้าววันละมือ้อก็พอซื้อน้ำดื่ม จ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ไม่มีอะไรที่ต้องใช้จ่ายแล้วค่า ใ, ใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าตัดทางตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นลดไปได้นี่เท่าจะไม่มีอะไรละเหลือกันเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองแต่ถ้าตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้โอ้มีเงินทองเท่าไหร่ก็หมดซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นอะไรก็ชอบอยากได้เห็นเพชรนี่ก็อยากได้เห็นทองก็อยากได้ เอาไปกินก็กินไม่ได้แต่อยากได้เอามาแบกเป็นทุกข์เป่าๆต้องมาคอยเก็บคอยรักษาแล้วก็มาเป็นของล่อตาล่อใจพวกนิจฉาที่ทั้งมายเหมือนมดเหมือนน้ำตาลล่อมดเนี่ยแต่มันอยากเห็นแล้วมันอยากได้มาก็ทันนั้นใช่ ได้มาแล้วพอไหมก็ไม่พอได้มาแล้วอยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องดิ้นไปอยู่เรื่อยๆอเดีวเรามากาจัดความอยากดูสิลองนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงนี่ถ้านั่งได้ต่อไปจะติดใจต่อไปไม่ต้องไปไหนหวันหยุดไม่ไม่รู้จะไปไหนก็นั่งเฉยๆดีที่สุดไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่ต้องไปชวนเพื่อน หาเพื่อนไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่นนนนนกันเที่ยวกลับมาก็เหนื่อยเงินก็หมดไปเสี่ยงภัยบนท้องถนน อ, อ, อ, อ, อ, อ, อีกเห็นไหมเนี่ยปีใหม่นี้ตายไปกี่ศพเดีไปหาความสุขกันเห็นไหมเนี่ยเราไปเจออะไรไปเจอความตายกันเนี่ยมีใครคิดว่าจะไปตายบ้างไหมพวกที่ตายบนท้องถนนสาม ส, ส, สี่รอยศพเนี่ยสี่ห้าร้อยศพเนี่ย ถ้านั่งอยู่เฉยๆอยู่บ้านนั่งก็สบายถ้าเขไม่ไปเออไม่ดูกันก็ต้องคิดว่าไปต้องคิดเผื่อไว้เสีอต้องคิดเผื่อว่าไปนี่อาจจะตายได้นะอะถ้าคิดอย่างนี้มันอาจจะไม่อยากไป อ, อ, อยู่บ้านดีกว่านั่งเฉยๆสู้กับความอยากดีกว่าลองนั่งไว้เสีฝึกไปสักพักหนึ่งต่อไปก็ทําได้ทําได้แล้วจะสบาย เรื่องปัญหาเรื่องเงินทองไม่พอใช้นี่รอบลองได้หายไปหมดเลยก็าหามาได้เท่าไหร่มันก็ใช้แต่ค่าปัจจัยสี่เท่านั้นเองค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟเสื้อผ้าก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วถ้าถ้าไม่มีบ้านก็เสียค่าเช่าบ้านไปเงินทองส่วนใหญ่ของเรามันหมดไปกับซื้อของไม่จําเป็นทั้งหลายซื้อของฟุ่มเฟืซื้อของฟุ่มเฟอซื้อของ ตอบสนองความอยากเท้านั้นนะที่มันหมดไปกันเยอะที่ทำให้เราต้องไปเหนื่อยกันหาเงินแทบเป็นททบตายกันเนี่เพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นกันนะหยุดความอยากทางตาหูจมูกดิ้นกายไม่เป็นกันปนละ่อยให้มันลากลราไป น, ะนี่แหละสิ่งที่เรามาวัดกันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อก็เพื่อมาให้รู้ว่า ศัตรูของเราคือใครกันแนะ่แต่เรากลับไปเห็นศัตรูเป็นมิตรพอรมันชวนน้ไปกับมันเลยเออมึงก <c oughs> <c oughs> ไม่เคยคิดว่ามึงจะหลอกพากูไปตายเลยใช่ไหมไม่เคยคิดว่ามันดอกให้พาเราไปติดคุกติดตารางเลยคิด <c oughs> <c oughs> ไปติดคุกติดตารางนี่ไปเพราะอะไรก็เพราะความอยากนะอยากได้ของไม่มีเงินซื้อก็เลยไปขโมยเข้าเนี่ย พอกมลแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาจับเข้าคุเข้าตารางไปเนี่ยความอยากนี่ยมันเป็นศัตรูแล้วมันไม่ได้เป็นมิตรนะมันพาเรามาเกิดแก่เจ็บตายกันรู้เปล่าเนี่ยแต่เราก็ไปชอบมันนึกเกินเชื่อมันนึกเกิดมันชวนเราไปไหนไปเลยชวนให้เราอยากได้แล้วซื้อแะไรซื้อเลยถ้ามีเงินปั๊บซื้อเลยถ้าอยากปั๊บเนี่ย เรามานั่งเฉยๆดูสักหกชั่วโมงเดียวนั่งสบายๆสบายไม่ต้องทรมานนั่งกายนั่งเมื่อยก็ยืนยืนเมื่อยก็นั่งปวดท้องฉี่ก็เข้าห้องน้ำเข้าเสร็จต้องรีบกลับมาอย่าไปทะเลทรายดิเด็กก็ไปเช็ดไปถั่วเลยเนี่ยเอาเนาะให้นั่งเฉยๆไม่ให้ทำอะไรให้พัก ให้ภากผ่อนจริงๆนี่แหละวิธีภากผ่อน mm hmm. กรรมไม่ชอบพักผ่อนเงิน mm hmm. จะอยู่นั่งเฉยๆได้สบายต้องมีสติหยุดความอยาก mm hmm. ต้องพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปสวดมนต์ไป mm hmm. แต่ไม่ให้ดูหนังสือไม่ให้ดูอะไรเพราะว่าต้องการให้ใช้แต่ของที่มีอยู่ในตัวเรานี่ ใ ห, ให้พึ่งทำจริงๆให้พึ่งของที่มีในใจเราเพียงอย่างเดียวเพราะของข้างนอกใจนี้มันพึ่งไม่ได้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวตาไม่ดีก็ดูไม่ได้ตาไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติแเราก็ยังพึ่งได้เราก็ยังทําใจให้สงบได้ทําใจหยุดความอยากได้ศัตรูของความอยากก็คือสติกับปัญญา2ตัวนี้ถ้ามีสติกับปัญญานี่ความอยากตายหมดเลย ความอยากมันสู้ไม่ได้แค่สองตัวนี้ตัวแรกก็คือสติตัวที่สองก็คือปัญญาตัวสตินี้มันง่ายกว่าปัญญาเห็นตอนต้นใช้สติไปก่อนหัดใช้สติไปก่อนปัญญานี่มันลึกรับซับซ้อนมันเรื่องของเหตุของผลซึ่งมันต้องใช้วิธีเวลาศึกษาถ้าใจไม่เย็นพอศึกษาไม่ได้ ต้องใจเย็นๆก่อนใจไม่มีความอยากใจมีสติหยุดความอยากไว้ก่อนเพียงแต่ว่าสตินี้มันสู้ปัญญาไม่ได้ตรงที่ว่าสติมันหยุดความอยากได้แต่ไม่ไม่ตายไม่สามารถทําลายความอยากได้แต่ปัญญานี่แหละจะทําลายความอยากได้อย่างหมดถาวรไม่ให้มีเหลืออยู่ในใจเลยแต่มันยากกว่าสติ สตินี่เพียงแต่พุโทโธพุธโทโธไปหรื อ, ะอจะสั่งมันว่าอยากคิดอยากคิดก็ได้อยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดอ อ, อให้เู้รู้รู้เฉยๆให้สั่งแต่ว่ารู้รู้ว่าตอนนี้กําลังนั่งอยู่รู้ว่าไม่ให้ทําอะไรไม่นั่งเฉยๆแต่มันคิดอ่ะถ้าถ้ามันคิดต้องใช้พุโทโธแล้วใช้อะไรช่วย พุโทโธก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโส0้ S o, จบส่วนด้านนะลองสวดดูเสร็จช่วยได้เยอะเลยนะก่อนจะจบ100จบนี่มันเกือบชั่วโม ง, นะโมงอมม น, นแล้วอ่าบได้เคยสวดไหมเคยสวดอ่าก็ลองสวดดูเลถ้าวันไหนเมื่อยเมื่อยไม่ได้สวดก็จะเปิดแมนยูทูบไปอ่าตอนนี้อย่าเปิดเอาแค่ของที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ย ถ้าเมื um, ่อยก็ดูลมต่อได้ถ้าสวดเสร็จแล้วเมื่อยก็ดูลมต่อลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปแรกเริ่มก็สวดเท่าเอ่อเท่าอายุก่อนเพราะนั้นก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เลยขยับมาเป็นร้อยแปดตรอไปกให้มันได้หกชั่วโมงเลยหกนี่พันจุด ยังไม่รู้จะไนดน้หอเาถ้าันคุณโอ้ถ้าได้ก็สบายเก่งนะได้เหรียญ <c oughs> ทองโอลิมปิกล <c oughs> ต่อไปจะจัดแข่งโอลิมปิกกัน <c oughs> แ, ขแข่งนั่งเฉยๆกนะันดูว่าใครจะนั่งเฉยๆได้นานกว่ากัน <c oughs> ในโลกมันแข่งแต่เรื่องความความอยากแข่งกินแข่งนัไรโอ้แข่งกันแ ข, แ, ขแข่งกินหอบดอกกันเนี่ยโอ แข่งจูบกันเออนั่งจูบกันเป็นวันเป็นคืนได้ไหมให้นั่งเฉยๆหกชั่วโมงนั่งไม่ได้ไหนั่นหมายถึง้ามีแข่งนั่งเฉยๆก็ก็แปลกเราไปจัดดูเลยดูใครจะมาสมัครก็ว่าพระอาจารย์ต้องให้ของรางวัลอะไรครับอาจารย์ของรางวัลก็มีไง นงังวานก็ให้นั่งต่อยหกชั่วดีงปฏิปฏิบรรลุเลยอ่ามันก็บรรลุเนี่ยเพราะไม่มีความอยากแล้วมันก็บรรล้มันจะไม่มีทำอะไรให้เราต้องมาทำอะไรให้เหนื่อยยากต่อไปมันไม่มีความอยากแล้วมันสุขมากบารมังสุขแข็งนี่เกิดเพราะความอยากมันถูกทำลายหมด าว่าไงเราฟูดพรล่ะให้ยอมพูดนั่งลองนั่งมากี่ครั้งแล้วตั้งที่ผ่านมานั่งเยอะนะแรกๆเ <ๆ S 2> าเชี่ยชานบอกก็น่าก็ไม่มีปัญา<ม>เพราะถ้าเผืัอเราเน้นนั่งแล้วเราจิตใจไม่ walk back วกแวกก่นั่งกูเฉยห้องน้ำยัไม่ไม่ไม่มีความ ร, รู้สึกเรื่งจิ้นข้าวาเขากวาไม่ไม่ได้ทานาน้ำทามแล้วก็จิต แค่แบบกระหาแล้วก็จิตจิตนมันก็เลยไม่เนียนอะไรจากินข้าอแล้วก็จิตมันจิตมันก็นิ่งเพราะว่ามันไม่วกแวกมันก็เลยแบบเวลาไม่ตั้งตั้งใจแต่นั่งสมาธิมันก็เป็นไปเองอืมเพราะมันนิ่งมันไม่ได้คิดอะไรนอกจากมอนก็ต้องโยงพุทโธคันนั่งสีโชนไม่โยงพุทโธไม่ได้พอมันมีกําลังละขั้นต่อไปก็ไปหยุดไอ ความอยากในเรื่องต่างๆต่อเนี่ยอยากดูละครก็อย่าไปดูมันอยากดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันดื่ออะมันต้องนั่งแล้วมันต้องไม่คิดค่ะนั่งเฉยๆนะนั่งแล้วก็ไม่คิดเอแล้วมันถึงจะมันก็จะจะจะจะไปทางที่จะไปทําสมาธิมันตรงไปนะไอ่นั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเลิกขึ้นมาแล้วฉันจะไปต้องกินบะหมี่หรือสปาเก็ตตี้หรือพิซซ่ามันต้องมีจุดว่า นั่งเฉยๆนี่เพื่ออะไรเขาหน้า น, นั่งเฉยๆนี่เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่คิดถึงความอยากต่างๆนะใช่พอเรานั่งได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปอัพพลายมันเลยอยากพิซซ่าก็อยากกินอยากอะไรก็อยากไปกินมันแต่ถ้ากินต้องถึงเวลาถึงจะกินกินก็ต้องอยากกินของที่เราอยากเลยแล้วเจ็บขาไหม อ๋อนี่นั่งเก้าอี้นั่งสบายสบายไม่ได้ให้นั่งขัดสมาธยให้นั่งสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องทรมานร่างกายให้ทรมานความอยากเกิดเกิดถ้าเกิดนั่งนานๆนี่นั่งตู้อี้ก็เจ็บเจควา็บก็ให้ลุกยืนยืนได้ไม่ไม่เดินไม่เดินให้ยืนเฉยๆถ้าเจ็บก็ยืนถ้าเริ่มเล่นงานแล้วที่ตอนนั้นแต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะ เราจะจิตเราจะนิ่งมาก ม, มากขึ้นถ้าเกิดตั้งใจทำนะฮะพ อ, อจิตมันนิ่งแล้วมันไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเพราะว่าพอนั่งมาไปเริ่มเริ่มนั่งไปเราพุทโธไปมากๆเลยมันจะเหมือนชาชามือชาแขนชาขามแม้กระทั่งก้นก็ชา ม, มันจะมีกระหัวแบบเนี้ยที่แบบเราก็เลยรู้ั่น ม, มันจะไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเจ็บที่เรานั่ง แล้วนั่งนั่งเก้าอี้ไม้ใี่มีถ้ามีมันรูรูอะระบายกาศเตอนแรกกลัวมากตอนที่เราทานเยอะๆก็มาฝ่ายสองต้องอ่านะบายมากแต่ว่าใช่ใช่คันคันต่อไปก็ต้องไปหยุดความอยากที่เราถ้าอยากเดิ่มอะไรก็หยุดมันให้เดิ่มแต่น้ําอย่างเดียวหยุดรูปเสียงกลิ่นรสถ้ากินก็ กินก็ได้ชอบอะไรก็เอามาคลุกกันรวมกันอะไรที่จะเข้าไปในท้องก็เอามาคลุกกันในชามก่อนชอบพิซซ่าชอบกาแฟก็มาผสมกันคลุกกันก่อนแล้วค่อยตักเข้าไปเคลียรไปด้วยกันอ่านั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในปากก่อนที่จะเข้าไปในท้องกันมันรวมกันที่จานก่อนเลยเอามาคลุกมาคนกันมาทำเป็นเหมือนข้าวผัดไปเลย ก็ผัดพิซซ่ากับกาแฟไอ้ครัการนั่งเนี่ยหมายความว่าต้องนั่งนิ่งเลยหรือว่าสมมติวอดหน่อยนึงได้<ย> <c oughs> ให้ขยับได้ทุกอย่างยังไม่บังคับทางร่างกายเพียงแต่ไม่ให้ไปทำอะไรไม่ไม่ให้ไปเคลื่อนไหว gps ให้ติดอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวนอกจากจะไปไปเข้าห้องน้ำ น, นั่นเอง องเริ่มเริ่มเทรนนิ่งอันนี้เริ่ ม, ม, มแบบอยู่ไม่สุขเหมือนนี่เลยเดี๋ยว ล, ล้กไปนอนเนี่ยอะไรบ้างอะไรไวไนน้อะไ่ี้นะอันนั้นแรกเริ่มแต่ถ้าเผื่อชินแล้วเราทำสักสองสามหนเนี่ยชินแล้วมันจะจิตมันจะเริ่มนิ่งเองคแล้วมันก็จะชวนเราให้ไปทางนะไปทางสมาธิไปเลยแต่อนนี้ที่อาจารย์สําหรับคนที่แบบว่าอยู่มิติอยู่มิติที่นะคะอ อยู่ไม่เป็นสุขก็เลกอยู่ไม่เป็นสุขทั้งหลายเมื่ก็เมื่อก็จริงๆแล้ไม่ใช่ว่าอยากจะไปทําอะไรขอจะเพียงว่ามันเจ็บอ๋อก็อันนี้ไม่ให้เจ็บไงให้นั่งสบายใจคิดกังวลอะไรไม่ไม่คิดไม่กังวลอไม่ให้หานั่งก็ยีสบายๆนั่งถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนได้ยืนแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่แต่ไม่ให้เคลื่อนเคลื่อนที่จะเคลื่อนได้เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ํา ให้นั่งสบายตอนนี้ไม่ต้องการให้ทารมานล่างกายต้องการทารมานความอยากให้ฝืนความอยากที่มันชอบอยู่ไม่เป็นสุขหรือแล้วก็หานุ่นทำหานี่ทำทำไปเรื่อยๆเห็นขี้ของเลยลบไปเลย็กเออเออเออแล้วางทีอยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนขยับเฟอร์เนเจอร์ยด้โต๊ะไว้ตรงนี้ อตามไม่รู้จะทำอะไรหาเรื่องทํำแม่ของโมถนาดบอกว่าให้ตู้อนั้นนม่ได้ยกมานานอะเดี๋ยวไม่ช่วยกันยกตู้ถนาดย้ายตู้นะแม่มาอยู่ไม่สุขอย่างนี้นะเห็นไหะถนาดตู้ไม่ใช่ขี้ผอมต้องให้คนมาช่วยยกอีกยังไม่หลับนะถ้าหลับก็ลุกขึ้นมายืนเลยสวดมนต์ไปเลยสวดมนต์เอทีปีโซร้อยจบไป ถ้ามันจะหลับก็สวดมนต์ไปพุทโธไปอิติปิโสไปหรือลุกขึ้นมายืนสวดก็ได้ทางที่ดีส่วนในใจจะดีกว่อย่าออกเสียงเดี๋ยวแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราจะลุกขึ้นมาเดินไม่ให้เดินไม่ให้เดินไม่เดินตอนนี้ไม่ให้เดินเฉยเฉยใช่ไหมให้กักจากัดบริเวณไว้ เหมือนก็ติดคุกให้ไปติดคุกองชั่วโมงแข่งอยู่เฉยๆแข่งอยู่เฉยๆแต่แต่ไม่แต่ไม่ทรมานร่างกายร่างกายเจ็บก็ลุกขึ้นมายืนยืนเมื่อยก็ลงไปนั่งได้แต่ให้อยู่จุดเดียวนอกจากเวลาจะเข้าห้องน้ำถ้าไม่อยากเข้าห้องน้ำก็โถนมาวางไว้ก็ได้แต่ได้อยู่จุดเดียว พระอาจารให้การบ้านคนทางบ้านบ้างไหมครับแล้วให้เขาไปส่งกันบ้านทุกคนฮะถ้าใครอยากจะปฏิบัติแล้วได้ผลเร็วเนี่ยวิธีเนี่ยเร็วที่สุดอ่ะอืมเราสองคนก็ทําแล้วเลยนะพระอาจารย์แม่น้าก็ไปทำกันแล้วใจมันจะนิ่งใจมันจะนิ่งขึ้นเงี้ยเรากันล้วทำก็ย่าได้ผลอยู่แล้วไม่ต้องไปวัดไปว่ดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่บ้านเราอยู่ในห้องเราวันไหนวันหยุดเราไม่มีอะไร แล้วก็นั่งอยู่ในห้องเราขังตัวเองไว้ในห้ององฉนงชั่วโมงก่อนเออไม่ได้บอกให่ไหมเรื่องต่อกิเลมต่อราจากเชียงถึงหกโมงกัน่ก็หชั่วโงกาได้แล้วเดี๋ยวก็ค่ะบเดียวไม่เอาแป๊บเดียวเลยจะได้บรรลุเร็วๆไม่เอาจริงๆไม่เอาเร็ว ทีนี้เอาน้อยม้าน้อยน้กงน้อยสันโดยกันแต่เงินนี้ไม่ยามั้งน้อยเลยได้กต้องทำดูสนุกเนี่ยเรียกวิธีปฏิบัติไม่ต้องยุ่งยากอะไรแต่ต้องมีความอดทนมากๆเหมือนพงจะสู้ได้ ถ้าไม่มีอดทนก็ต้องอาศัยสติทำใจให้สงบยนยยแต่ทำใจให้สงบมันก็สู้แบบไม่ต้องสงบดีกว่าสู้กับมันแบบสดสร้อนร้อนเลอมันใทยรู้แล้วรู้อดไปเลยเพราะเวลาทำใจให้สงบมันก็เหมือนกับหลบมันชั่วคราวเหมือนกันแต่แต่หนุดมันแต่มันก็หลบไปในทางที่ดีก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าทางที่ดีไม่ต้องหลบเลยอยู่กับมันสู้กับมันเลย ฟันตอกตาต อ, อาาฟันตอกนั่นแหละ อ, อ, อ, อก็ได้สองทางก็บางทีมันกําลังไม่ไหวก็ต้องหลบไปในสมาธิก่อนแล้วพอเดี๋ยวออกมาค่อยสู้กับมันต่อเองให้มันครบหกชัว่วโมงในเวลาเราสวดนี่ก็เหมือนกับเราหลบมันน่ะสวดอิติปิโสนี่เราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องจะทํานู่นทํานี่จะลูกจะอะไรมันก็นั่งอยู่เฉ ย, เฉยได้ แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องอะไรได้นี่แสดงว่าเรามีกําลังมากสู้กับมันได้ <c oughs> ถ้ายัางสู้ไม่ได้ก็อพุทโธไปสวดมนต์ไปสวดเอตีพิโสไ ป, สนนไ ป, สไปทําไงก็ได้ตอนต้นนี้เอาวิธีไหนก็ได้ขอให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรได้สักหกชั่วโมงก่อนก็นแล้วกันแล้วกันต่อไปเราก็จะแยกแยะดูว่าทําแบบไหนได้ดีดีกว่ากัน <c oughs> เพาถ้าใช้สติใช้สมาธิความอยากมันยังมีอยู่แต่ถ้าไม่ใช้สติไม่ใช้สมาธิใช้สู้กับมาเลยมึงกูไม่ทําตามมึงอยากไงเหมือนคนที่ไม่อยากสู่ก็หรี่เงี้ยถ้ามันมีกําลังมากก็เลิกได้เลยทั้งที่อยากก็ไม่ทําทุกครั้งที่อยากจะไปทํานู่นทํานี่ก็ไม่ทำํำก็ลองดูวิธีไหนก็ได้แต่ไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นให้มีของใช้ในของที่มีในตัวเราในใจเราเนี้ยสู้กับมัน ว่าใจหมายถึงว่าคือถ้ามันจะอยากก็ปล่อยให้มันอยากแล้วเราก็สู้คืออยากแต่ว่าเราก็ใช้ปัญญาสู้กับมันอะไรก็ได้นั่นแหละอย่าไปทําตามมันก็แล้วกันเออมันจะบอกเจะให้เดินไปนู่นไม่ไปให้เลิกไม่เลิกอย่างเงี้ยเราดื้อกับมันอเราดื้อกับมันมากเรามันดื้อกับเรามากนะตอนนี้เราดื้อกับมันมากทําไงก็ได้โดยเรา จำกัดบริเวณของร่างกายให้มันอยู่ตรงนี้อยู่จุดนี้ให้นั่งเฉยๆนั่งสบายไม่ต้องทรมานร่างกายร่างกายหิวนั่งกายน้ำกินร่างกายปวดฉี่ก็ไปฉี่เมือ่อนั่งเมือ่อยกระลุกกระเมายืนหายเมื่อยแล้วยืนต่อไปจนยืนเมือ่อยก็ลงไปนั่งใหม่ก็ได้เนี่ยเราอยู่เฉยๆอยเงี้ยก็สมมติว่าเรานั่งนั่งเครื่องไปที่ไหนหกชั่วโมงก็อยู่บนเครื่องได้ใช่ แต่ว่าบนเครื่องมันก็มีของล่อใจอยู่ของเลี้ยงใจมีหนังดูมีเพลงฟังมีหนังสือพิมพ์อ่านมีนมมาให้กินมีเครื่องดื่มมามีข้าวนะอยู่ยมบินจะจะอังกฤษเก่ากับมนนี้นะซื้อตัวไทยอินเตอร์บินจมโอ้โหปรากฏว่าเครื่องเอลิเทไหนที่ดูหนังดูหนัง ค่ะแล้วไม่บอกผู้เดินศาลอ่ะมันหุดหงิดกันทั้งรลำเลยอืมไม่มีอะไรจะดูค่ะหลักก็ไม่หลักอาสารก็หุดหงิดถ้าเราสึกถ้าเราสึกนั่งเฉยๆได้ตอนนี้ไม่งวนหยินอ่ะยังหมกตั้งกี่ชั่วโมงคะจันทรสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงหุดหงิดได้ไงก็ได้นั่งแล้วไงคะ เมื่อมันกันก่อนนะมันก็มามันก็มาได้อย uh ู่ด yes. ีมันก็มาได้อยู่ด uh ีม uh uh ันก uh> uh> uh uh uh ็อาศัยหลับะมันก็หลบด้วยการหลับใช่ไหมแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องฟังอาจารย์ยงดีขึ้นเยอะนะคะรายงานครับคือว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการเกี่ยวกับมือเป็นง่อยหรืออะไรก็แต่รู้นะว่าจะมีเวลาที่เราจะต้องไปนัดหรือทําอะไรเนี่ย ในวันระหว่างเวลาเนี่ยโยมก็จะบอกตั้งใจว่าฉันจะนั่งะนะถึงเวลานั่งฉันจะต้องนั่งให้ได้พอนั่งนะมันก็มันก็มาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งมันจะมีลาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวเนี่ยมันก็มาเร็วและความสงบมันเข้ามาเร็วถึงจะตื้นถึงจะมันจะไม่เข้าลึกจะไปอัปนานนะมันก็เข้ามาแล้วนะพอมันชินชินแล้วเลฮะมันจะมาเร็วขึ้น แต่เราต้องจังใจดีทำแล้วใจจะเย็นลงเพราะว่าความความอยากมันจะเบาลงแล้วใจความรุ่มร้อนใจมันจะหายไปมันจะใจเย็นจะทําอะไรก็สบายใจไม่มีอะไรทําก็สบายใ จ, จ เ, เ, เพราะอยู่เฉยๆหกชั่วโมงได้นี่ไหมมันสบายแล้วแล้วเวลามีปัญหานะเกี่ยวกับร่างกายอย่างนี้ที่ยงเป็นมาตั้งอาทิตย์อสองมางตั้งเดือนสี่อาทิตย์นะ ก็ไม่ได้จิตมันก็ไม่อยู่ที่นี่ก็จะหายก็หายแต่เอาเราเลยรักษามันมันจะมีจิตใจที่แบบว่าจิตมันเป็นอุเบกขาไงเฉยๆเราหลัวที่เราเปิบเป็นที่สาวๆก็ตายแน่อยากจะหายอย่างเดียวคนส่วนใหญ่นี้พอเป็นอะไรอยากจะหายอย่างเดียวพอไม่หายก็เครียดเครียดเคียดไปเรื่อยๆพยายามไปหาหมอนู่นหาหมอนี่วุ่นวายไปหมด ควาจรอยู่แค่เฉยเดียวมันก็หายเองร่างกายมันก็รักษาตัวของมันเองไปเรื่อยๆช้าหน่อยเพราะว่าเราทําใจไม่รับรู้อะไรกับมันเราอย่าไปอยากกมันอย่าไปอยากให้มันหายมันยังไม่หายก็ให้มันเป็นของมันไปเดี๋ยวมันหายก็หายเองถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปอันนี้ระดับอันดับต่อไปอันดับต่อไปก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไปอย้า้มันหายอย่าไปอยากให้มันหาย ต่อไปเวลาเป็นโครคภัยค่าเจ็บที่มันมีความเจ็บมันจะอยู่กับมันได้มันจะไม่ทรมาน mm hmm. มันเป็นอันนั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นนั้นเรามาเอาเรื่องร่างกายความอยากในร่างกาย อ, าอยากหกชั่วโมงกอนดีกว่าเ <laughs> <laughs> มื่อกีต่อชั่วโมงเราเนี่ยเอาหกชั่วโมงได้เลย <laughs> ไม่ได้ทั้งนั้นไม่ไม่ให้มีอะไรเลยอ ย, อ, อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ให้มีอะไรสมมุติเราไปหลงอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังอะไรนั้นเจ้าธรรมะก็ธรรมะในใจเรานี่แหละที่เราคิด ท, ที่เราจําได้เราขึ้นมาสอนใจก็ได้<ม>คือให้ให้เราเป็นที่พึ่งของเราเองโดยตรงเลยไม่ต้องพึ่งอะไรจากใครทั้งนั้น เพื่อขันตินะามีขันติมันก็พออยู่ได้มีความอดทนอดทนสู้กับมันไปมันอยากยังไงก็ไม่ยอมทาตามมันอยากเดี๋ยวถ้าเราทนกับมันได้เดี๋ยวมันยอมแพ้มันจะหายไปแล้วมันจะรู้สึกเบาสบายนั่งเฉยๆได้มันใจจะสงบอันนี้สู้สู้กับความอยากด้วยขันติแต่ถ้ายังสู้ไม่ไหวก็เอาสมาธิเอาสติมาช่วยบรรเทาก่อนก็ได้ สวดอิติปิโสไปสักร้อยจบก่อนเอาเอาเท่าอายุของเราก่อนก็ได้แอมันก็จะเบาลงสวดไปสักพักมันก็จะเบาลงแต่เดี๋ยวมันเป็นก็สวดใหม่อีกอีกรอบนึงทำไปเรื่อยๆก็ครั้งแรกเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่ว่าเราสวดเอ่อเท่าอายุเพราะว่าอะไรเอ่ออาจจะเป็นเว่าจุดมุ่งหมายเรา เราเชื่อในความเชื่อว่าตรวจแล้วจะเป็นมงคลกับชีวิตเนี่ยเราก็เริ่มจากที่ว่าอเ อ, อ่อเท่าอายุก่อนเพราะหลังจากนั้นมีฟังซื้อตรวจไเรื่อยๆมันก็เพลินนะลองนั่งนับดูว่าเราจะสวไดไปเท่าไหร่นีคย <c oughs> ก็นับไปเรื่อยๆนั่นแหละมงคลชีวิต ค, คือใจเราสงบใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่อยากกับเรื่องราวต่างๆอยากน้อยลงอื นี่แหละคือมงคลไอเราไปคิดว่ามงคลก็คือรวยขึ้นได้ของดีๆขึ้น อ, อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกไอนั้นเป็นของอภปมงคลทั้งนั้นะรวยขึ้นเดี๋ยวก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องจนได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องจากกันเห็นเราแต่เรามันเรามักจะคิดไปในทางกิเลสเราคิดมุกามงคลก็คือความจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขกัน แต่ความจริงพระพุทธเจ้ากความเจริญแบบนี้ความมงคลแบบนี้มันเป็นอัปมงคลเ<ม>พราะมันไม่เที่ยง ม, มันไม่ถาวรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปต้องจากไปอ เ, เอาอ้นี่ดีกว่าหเอาไอ้ตัวที่ชนะความอยากได้เนี่ย <laughs> อไม่มีวันเสียเราสามารถทํามันได้ตลอดเวลาจะจะโยเห็นมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะฮะ ต้องสมัยโยนเคยจะไปไปพบนะเขาก็พิมพ์มาแจกจ่ายก็จกจะมีจะมีไว้ร่อใจนะไม่ใช่มาบอกว่าเอา่อเอ่วนนี่แล้วจะจิตใจหมอกอะไรเขาจะล่อเลยว่าเนี่ยมีคนบอกว่าเขาเป็นเป็นเป็นศาสนาอยู่ในศาสนาคริสต์นะฮะแต่ว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังคําสัจสอนแล้วแบบว่าจะแย่เอาอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยต้องสวดอีทีพีโซเท่าอายุ เพื่อลูกจะได้ดีเพื่อลูกจะฟังเขามันเป็นของหลออยู่ตลอดเลยมันหลอกไงมันหลอกมันหลอกแต่เขาเลยเขาเรียกคุณสโลบายไงสโลบายสโบายของของอาจารย์สอนถ้าบอกบอกตรงๆมันไม่เข้าใจว่าความสงบความอยู่เฉยๆนี่ดีขนาดนั้นไม่รู้ก็เลยต้องหลอกว่าส่วนแล้วลูกจะได้ดีลูกจะได้เชื่อฟังเราก็เลยทําถ้าทําเพื่อคนอื่นนี่บางทียอมทํำ แต่ถ้าทำให้ตัวเองบางทีไม่เอาไม่เอาจะคิดดูนะคช่าจาคือคือว่าเพราะเขาสวดอีจีพิโซ่เราทำให้เ้าใจสงกเขาก็เลยไม่ไปวุ่นวายกับลูกนนัลูกก็เลยกลายเป็นคนดีไปเพาแม่ไม่ไปเอ็ดอยู่ข้านจริงจริจริงมันเป็นมันเป็นุบายที่ยากยนตมากอ่นแหละ เล่มสองชั่วโมงสอ่วโถ้าหลายก็ได้เพียงแต่ว่าพูดมั่วเยอะๆหน่อยเผื่อไว้ยยาโยมชอบนั่งน้อยนังอะไย่างนี้เพิ่มันลาชั่วโมงก็ได้กลัวมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ชั่วโมงมันก็ชั่วโมงไปมันไม่คิดที่จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆตอนนี้เลยต้องบอกเป้าไว้เรื่องหน้าก่อนหกนะแต่จะทํา กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ถ้าทำได้หกได้เหรียญทองนะจะมอบเหรียญทองให้เหรียญทองข้างในเป็นช็อกโกแลตนะนี่ก็อยากกินอยากกินหนึ่งนะอยากกาแฟอยากช็อกโกแลตเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้จะให้พรก่อนนะยกแรกจบแล้เวลเดี๋ยวเผื่อใครมาทีหลังอยากจะเอาเข้าของเข้ามาก็ได้ยะทา ว, วาววหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิตทินางเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาปา จันโทปัะระโสยธาตุมณิโชติระโสยธาสัพปิตโยวิวาจันโตสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุทฒาปะจายโน จตารธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังในความอยากมันมีความอยากที่ดีก็มีนะที่พูดนี้พูดถึงความอยากที่ไม่ดีนะอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากมีนี่ไม่ดีแต่ถ้าอยากไปทำบุญนี่ดีนะ อยากไปนั่งสมาธิไปสวดไปบวชนี่ดีความอยากในธรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลเดี๋ยวจะคิดว่าห้ามทุกอย่างพอบอกความอยากไม่ดีก็เลยเห็นผมก็อยากอยากบวชก็ไม่ได้อยากจะทำบุญก็ไม่ได้ได้ก็คือให้อยากทางโลกอยากในราบยศสฉลเสรนี่ไม่ดี อยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากอะไรพวกนี้ไม่ดีเพราะมันจะทําให้เราวุ่นของพวกนี้มันเหมือนปลาไหลมันลื่นจับนล้นเดี๋ยวก็หลุดเราคอยจับมันอยู่เรื่อยได้เงินมาแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดมือไปละหายไปแล้วหมดละได้ยศมาเดี๋ยวมันก็หลุดไปแล้วอย่าไปหาของพวกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขถ้าอยาก ทำบุญเนี่ยเป็นสุขอยากรักษาศีลเป็นสุขอยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นสุขอยากแบบนี้ดีอยที่พูดนี้พูดถึงแต่ความอยากสามชนิดกามาตหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเรียกว่ากามตาตนอย่างที่ให้นั่งเฉยๆไม่ให้ดูไม่ให้ฟังอะไรนี้กำลังหยุดกามาตหากัน ภาวะตัณหาก็อยากได้นู่นอยากมีนั่นอยากมีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่หรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอะไรภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ความอยากสามชนิดนี้เป็นความอยากที่ทำให้เราทุกข์ใจกันเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำให้ตายเราทุกข์กันใช่ไ เองแต่คิดแค่นี้ก็ทุกข์แล้วคิดวา่า้ถ้าเกิดไปเป็นมะเร็งนี่เป็นยังไงทุกข์ไหมร่างกายนี้สักวันมันต้องเจ็บไข้ได้เปื่อยกันทุกคนเราจะถูกรางวันที่ที่เท่าไรกันแน่นี่ลังวนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยหัวใจเอ่ยปอดเอ่ยมะเร็งเอ่ยลังลังวนที่หนึ่งลัีง รางวัลที่หนึ่งก็มาเรงไงรางวัลที่สองก็โลภัวใจไงรางวัลที่สามก็โลกอัมภ์พฤกษรมภา พ, าาพานี้ถามเลยพยายามมีฉันทะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไปออกของนอกวัดแล้วไม่ค่อยจะมีนะทำไงดีคนะก็ต้องอยู่วัดเรื่อยๆสิไปทำไมล ะ, ะ, ะ, ะก็อย่าไปออกนีอยู่ในวัดสิโอ้ยแล้อ ก็อยากได้ฉันถ้าก็ต้องอยู่วันวั น, วนเหมือนปั๊มน้ํามันเน oh. ่ยถ้าอยู่ในปั๊มมันก็เติมน้ํามันได้อยู่เรื่อยๆพออกจากปั๊มไปเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดียวมันก็หมดละก็ต้องกลับเข้ามาเติมใหม่คนที่เขาบวดเขาถึงเขาไมคนที่ก็อยากจะได้เรื่อยๆเขาเลยบวชกันไงเขาไม่ไป oh. ตอนต้นก็อย่างนี้ก่อนเข้าๆออกๆออก่อนแล้วต่อไปเห็นว่าเออออกแล้วขัดทุนสู้อยู่ดีกว่าต่อไปก็อยู่ยาวไปเลย ก็อย่าไปทําเลยมาบวชกันนี่หรือว่ามีตนเอาไว้ก็แล้วแต่มีวิธีไหนก็ได้ไม่มีตนก็้าใสคนอื่นเลี้ยงเราไปเราทําหน้าที่เราแล้วนี่ถือว่าไม่ไม่เป็นการไป ไปหลอกลวงหรือว่าไปอะไรกันคนให้เขาก็ยินดีให้คนรับก็ทำหน้าที่ของคนรับไปให้สมบูรณ์ก็แล้วกัน mm hmm. เขาให้เพื่อให้เรามาปฏิบททัติธรรมเรายินดีสนับสนุนเราเพราะต่อไปเขาจะได้พึ่งเราได้ mm hmm. ที่เราพึ่งพระก็เพราะว่าพระท่านศึกษาปฏิบัติกันจนกระทั่งท่านบรรุผลท่านก็มาเป็นที่พึ่งของเราต่อไปได้ mm hmm. ถ้าพึ่งกันแบบนี้ไม่เป็นไร ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าเราไปาไปเบียดเบียนคนอื่นไปไปขอคนอื่นกินอันนี้ไม่ใช่คนให้เขาก็ได้บุญคนรับก็เอาไปทำประโยชน์ให้เต็มที่ก็แล้วกันยันอย่าไปคิดว่าไปอยู่วัดไปกินข้าววัดนี้เป็นเหมือนกับไปเบียดเบียนวัด เ, เราไปเพื่อไปศึกษาไปปฏิบั ต, ติตามหน้าที่ของเรา ทางวัดก็มีอะไรก็แบ่งกันไปกินกันไปตามมีตามเกิดนพวกนักบวชทั้งหลายก็ไม่มีอาชีพทำมาหากินแล้ว <c oughs> เขาก็ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้เลี้ยงให้พระก็ไปบินตบาทแม่ชีก็อยู่วัดบางทีก็จะอยู่วัดกับพระพระก็มีอาหารที่ได้เหลือจากบินตาบาตก็แบ่งกันไปแล้วทุกคนก็ทําหน้าที่อของตอนไป ศึกษาประทาคำสอนปฏิบัติแล้วก็ทำทำงานเท่าที่จำเป็นดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของวัดอะไรอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ก็ถือว่าเราได้ทำงานแล้วเราได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากชาวพุทธที่ใส่บาทให้หรือที่มาทำบุญที่วัดให้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไร บางคนคิด ว, ว่าไปอยู่วัดต้องมีเงินถึงจะอยู่ได้ไม่ไม่จําเป็นหรอกจริงทั้งว่าไม่อยากให้มีเงินด้วยซ้ำํำแต่อพระนี้เขาพระนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้แต่ต้องเงินทองเลยเพราะมีเงินแล้วส่วนใหญ่มันจะเอาเงินไปใช้กับความอยากไดมากกว่าอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็แต่สําหรับคนที่เขา ไปอยู่ชั่วคราวก็อยากจะไปทําบุญนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องนั้นก็ต้องมีเงินเขาไปซื้อข้าวซื้อของไปทําบุญได้นแต่คนที่ลุ่วงไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องทําบุญแล้วในปฏิบัติอย่างเดียวเพราะถ้าทําบุญเนี่ยมันก็ต้องไปหาเงินมาทําอีกอะมันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติกันเหานไหมเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญละ เอาการปฏิบัติเนี่ยเป็นการทำบุญแทนซึ่งเป็นการทำบุญที่ดีกว่าการทำบุญด้วยเงินทองทำบุญด้วยการปฏิบัติเนี่ยได้ได้บุญมากกว่าได้บุญสูงกว่าถ้าทำบุญด้วยการเงินทองมันก็จะต้องไปหาเงินทองมาทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ทำบุญที่เกิดจากการปฏิบัติที่สำคัญกว่า จะค่ากิเลสได้ต้องค่าด้วยการปฏิบัติค่าด้วยเงินทองนี่ค่าได้เล็กๆน้อยๆค่าแล้วก็ถูกมันย้อนสอนมันหลอกให้เราไปหาเงินมาทำบุญอีกก็วนไปอยู่ในอ่างหาเงินมาทำบุญอยากหาเงินก็เป็นกิเลสละอยากจะได้เงินมาทาบุญพอได้เงินมาก็ทำบุญพอเงินหมดก็ไปหาใหม่มันก็วนอยู่ตรงนั้นถ้าจะทำบุญแบบไม่ใช่เป็นกิเลสก็ทำเท่าเฉพาะเท่าที่มีเรามีอยู่ ที่เราไม่ต้องใช้เงินไหนที่เราไม่ต้องใช้ก็เอาไปทำบุญซะส่วนไหนที่เราต้องใช้ต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้ไม่อย่งนั้นก็ต้องไปหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆต้องการให้หยุดหางเงินจะได้มีเวลามาม า, มาปฏิบัติกันได้ามาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินแนละ้เพราที่วัดก็มีข้าวให้กินอยู่แล้ว แต่เราไม่เลือกกับข้าวนะี่อยู่ที่ว่ากินได้สบายของอะไรนะ่ะมาก็กินกันไปวิธีที่จะไม่เลือกกับข้าวก็คือคนมันเอามาใส่ในชามแล้วก็คนมันก่อนกินย่างมันก่อ น, มม น, อนคุ่กมันก่อนเอุก ม, มันกนออรับรองได้าอาหารอะไรมาก็กินไดนะ้กินเพื่ออยู่จริงๆกินให้มันดับความหิวไม่ได้กินเพื่อรสชาติหรืออะไรไม่หวังคิดว่าเหมือนไปติดคุกติดตาราง เขาจะให้เข้าแดงมากินก็กินกินเพื่ออยู่ให้มันอยู่รอดไปวันวันหนึ่งมาแล้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องกินถ้ากินถ้าอยู่เพื่อกินเนี่วเดี๋ยวก็อยากกินนู่นอยากจะกินนี่ขึ้นมาถ้ามีเงนินเดี๋ยวก็สั่งให้เขาซื้อมาทําให้กินอนี่คือเรื่องของการอต่อสู้ ทำลายฆ่าศึกศัตรูที่ทําให้เราวุ่นวายที่ทําให้เราทุกข์ที่ทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันก็คือความอยากการปฏิบัตินี้ทางศาสนานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การทําลายความอยากเพราะถ้าทําลายความอยากได้แล้วจะได้ความสุขที่วิเศษที่สุดนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายตอนนี Ana ้พวกเราติดคุกกันอยู่หรือเปล่าคุกของเรามีอยู่สี่กำแพงสี่ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายเนี่ยติดอยู่กับคุกนี้มาเกิดกี่ครั้งก็มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในคุกนี้จะรวยก็รวยในคุกนี้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นใหญ่เป็นโตในคุกนี้ ไม่มีวันเลนดนอนออกไปได้เพราะผู้คุมก็คือความอยากผู้คุมให้เราติดอยู่ในคุกเหล่านี้ก็คือความอยากทั้งสามนี่การมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยเป็นตัวคุมให้เราติดอยู่ในคุกนี้พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ละพอเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันดีไหม แต่พวกที่เขาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เหมือนพวกที่เขาไม่ได้อยู่ในคุกพวกที่ออกจากคุกไปแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี่ท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะท่านท่านพ้นคุกแล้วพวกเรายังไม่พ้นยังไม่พ้นโทษวิทยาพ้นโทษก็ต้องฆ่ายามที่มันกักขังเราพวกผู้คุมผู้คุมก็คือความยากต่างๆนี่ ให้นั่งเฉยๆเพวกอฆ่าผู้คุมอะไรความอยากตา่างๆอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากดูนั่นอยากดูนี่นนนถ้าอย่างนั้นอ ย, อย่างเช่นลูกมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้ก็หมายถึงว่าเรากําลังทําชั้นเพื่อจะได้อาาระโยโทษอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลากำลังจะมาตอนนี้ลูกกาลังคิดแบบนั้นเรากําลังทําสงครามกับไอ <laughs> คนที่คุมคุมเราขังเราอยู่เนี่ย ผู้คุมไม่มีอภัยโทษในคุนี้หรือคุกนี้ต้องต้องแหกคุกต้องฆ่ายามต้องฆ่าคนที่เฝ้าเราอยู่เนี่ยข่ายความอยากสามตัวนี่ถ้าถ้าถ้าแจ่ามีอภัยโทษต้องพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องก็อถึงพระเจ้าสนา จะบรรดาอะไรได้หมดที่นี่ต้องตบนเป็นที่พื่งแห่ตงองต้องแหกคุกกันแหกคุกกันถ้าอย่างนั้นเราต้องต้องฆ่ายามต้องฆ่ายามถ้าไม่มียามแล้วเราก็เข้าออกได้สบายที่เราเข้าออกไม่ได้คอยยามสามตัวนี้มันคอยมันคอยจับเราไว้ เพราฉะนั้นไม่ต้องสร้างชั้นเพื่ออพยโทษแล้องค่ามันฆ่าสามตัวนี่ค่ะเดี๋ยวกลับไปก็สามชั่วโมงค่ะโคตรแล้วนะครับอ้นาการเาะ์อังอาจารย์ที่บอกว่าร่างกายนี้เป็นภาระที่หนักอยากจะให้เช่อองอ้าวนี่ต้องดิมน้ำเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องเดิ่ม ไม่ต้องกินข้าว <c oughs> ใช่ไหมนี่ต้องหาปากกัดตีนผิดทำมาหากินก็เพราะมีร่างกายใช่ไหมถ้าไม่มีร่างกายก็สบายถ้ามีใจอย่างเดียวใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องกินข้าวใจต้องการความสงบเท่านั้นเองทําใจให้สงบใจก็ได้กินข้าวแล้วแต่ถ้ามัพรอมีร่างกายก็ต้องแบกมันต้องพามันไปกินพาเวรีอาบน้าให้มันไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอกินยาให้มัน ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันหาค่าหาบ้านให้มันอยู่ซื้อเสื้อผ้ามาให้มันใสแล้วก็ต้องมาสรกเสื้อผ้าให้มันอีกแล้วต้องอาบน้ำให้มันอีกมันเป็นทาไลใช่าหม <c oughs> ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทำอะไรใจนี้มันไม่ต้องมีร่างกายก็ได้แต่มันมีความอยากมาเชื่อมมามาม า, มาดึงให้เรามามีร่างกายกันเพราะเราอยากดูก็เลยต้องมีตา อยากฟังก็ต้องมีหูใช่ไหมก็เลยต้องมีร่างกายถ้าไม่มีความอยากดูอยากฟังก็ไม่ต้องมีร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีความอยากเหล่านี้ท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เลยไม่ต้องมาเกิดเนี่ยถ้าเราปฏิบัติข่าความอยากต่างๆได้หมดเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายกายเป็นบ่าว เราได้ร่างกายนี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่มาแล้วเราก็เอาร่างกายมารับใช้เ้วพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขทางร่างกายกันแต่เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายแก่เจ็บตายก็หมดละพอร่างกายตายไปก็ความอยากยังไม่ตายก็กลับมารอรับของขวัญจากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปก็กลับมาเกิดอย่างนี้เรื่อยๆตราบใดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จต้องกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆ าช่้ก็นั่นแหละชนิดสัยสันดานก็ว่าไปว่าฉะนั้นต้องค่าความอย่างอ่าฉะนั้ต้องมาค่าลายลตัวละทีนี้อยากกาแฟก็ค่ามันอยากอยากขนมอยากพิซซ่าก็ค่ามันอยากอยากอะไรค่ามันไม่หมดเออถ้าไปร้านอาหารก็สั่งเขาบอกว่าเอาอะไรมาก็ได้ไว้เอามาสักสองสามอย่าง กินไม่ได้กินด้วยความอยากใ ห, ให้เด็กมันจัดมาให้ก็ได้หรือถ้ามันจ ะ, จะสั่งก็ได้ถ้าชอบอะไรสั่งก็ได้แต่ต้องมาคุกกันก่อนออคุกกันอโมมิตก่อนเอาทุกอย่างที่เข้าไปในทอ้อ ง, นองของหวานของคาวของอะไรเครื่องดื่มอะไรใส่ไปในชามมันเดียวกันเลย <laughs> ก, ากาแฟขนมค็กขนมเ ค, ค้กไอติมใส่เข้าไปแล้วคนมัน ตักกินเข้าไ ป, ป, ไปอได้หมดมแกงเขียวหวานแกงจืดข <c oughs> นมจงนมจีนขุยถงก๋วยเตี๋ยวอะไรอยากกินอะไรมือนั้นจะกินอะไรก็ใส่มันไปรวมก่อนให้มันรวมที่จานก่อนก่อนที่จะไปรวมที่ท้องเดี๋ยวมันก็ไปรวมในท้องไม่ใช่เหรอมันก็เพียงแต่ผ่านไน้ริ้นตัวเดียว <c oughs> ถ้าไม่มีลิ้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหย <c oughs> ปัญหาอยู่ในตัวลิ้นนี่ริ้นนี่มันรู้แ้วก่อนรู้ แา่ตามก็เกิดอาการคลื่นเหียงก็ต้องปิดตาเลยต้องปิดตาตาเป็นคนตาบอดตาบอดตาบอดแล้วก็ตัดลิ้นทิ้งรี้อท่าบอกว่าให้ให้ลองเคี้ยวแล้วก็คายออกมาอ่าก็อยากจะดูหน้าตามันไงหนูก็คายออกมาแล้วหนูก็กินเข้าไปไหมอก็เฉยเก็ดีเลยก็อย่างนั้นก็พออย่างั้นก็ต่อไปก็กินอะไรก็ได้ใช่ไ ไม่เพิ่มสี่ชั่วโมงแต่แต่ถ้าสีฟังซีฟังคิดว่าแอล่างกายนี่มันแสนจะลาบากเลี้ยงอยู่มันเออเามันไปทิ้งก็เหอะไม่เอามันละมันก็เป็นบาปนะเพราะการิดทิ้งร่างทําให้มันตายอืก็บาปอันนี้ก็เป็นความอยากอย่างอย่างยากอยากทิ้งร่างกายก็ไม่ได้ อยาให้มันอยู่ก็ไม่ได้อยากให้มันตายก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันไปตามธรรมชาติยถากรรมมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันก็มาแล้วแต่ไม่อยากเรียกมันก็ได้ก็อย่าไปกินมันก็แล้วกันอย่าไปกินไม่อย่าไปเดิมท่านท่านคิดว่าจะมีทางนะที่ท่านไปนั่งปฏิบัติแล้วท่านไม่ไม่ฉันเลย49่สิบ้าวันอ่าปัญาอย่างนี้ไม่ตั้งใจฆ่านะแต่ว่าจะลองดูแต่ความอยากจากอื่นมันยังมีอยู่ไง มันอาจจะไม่อยากอาหารแต่อยากยังอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันยังไม่ตายจากการอดอาหารครับให้พระอาจารย์อธิบายสมาธิก้างเป็นยนะังไงหมายความว่ า, วาเออเราเราต้องเปลี่ยนที่ปฏิบัติ บ, บ่อยๆนี้่เพื่อจะได้มีสมาธิาที่เข้มแข็งรึเปะเรื่องการกิตมันคือการเปลี่ยนที่นี่ มันเป็นมีเหตุผลอยู่สองประการด้วยกันประการหนึ่งคือเราต้องการไปหาที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเราจะได้ใช้ธรรมะดับความกลัวนี่ถ้าเราไปอยู่ที่ไหนสักาพาักมันชิตแล้วมันความกลัวมันจะหายไป mm. ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวใหม่เหตนั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไม่กลัวแล้วก็ mm. ไมจิตมันตื่นไหมอ่า ถ้าอยู่ในห้องมันก็จะหลับถ้าอยู่ที่ปลอดภัยมันก็จะมันก็จะไม่มีความกลัวมันก็ไม่ตื่นมันก็จะนั่งสมาธิบางทีก็จะขี้เกียจบางทีมันก็จะหลับนั่งแล้วก็จะหลับแต่ไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลัวนี่มันจะทำให้จิตมันตื่นเไม่ให้อยู่ติดที่ไม่อยู่ติดที่แต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วปฏิบัติทาได้ผลดีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ถ้านั่งแล้วตรงนั้นจิตสงบดีสามารถทําลายความกลัวต่างๆที่มีในใจให้หมดไปอย่างถาวรถ้าความกลัวหมดไปแล้วจะไปเปลี่ยนที่ตรงไหนมันก็ไม่มีความกลัวแล้วถ้ายังไปเปลี่ยนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ถ้าผ่านความกลัวให้ได้ก่อนถ้าผ่านความกลัวได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่ก็ได้ถ้ายังถ้ายังกลัวอยู่เพียงแต่ว่าพออยู่ที่ไหนสักพักมันชินแล้วความกลัวมันไม่มีแล้วก็ต้องลองไปเปลี่ยนที่ดูว่ายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ยังแสดงว่ายังกำจัดความกลัวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ต้องดูเหตุดูผลด้วยการเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนแต่ละที่นีมันก็อยู่ที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนที่หรือไม่ได้รับประโยชน์เองขึ้นอยู่กับว่าเรายังอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับที่ยังต้องพึ่งครูบาอาจารย์เราไปเปลี่ยนที่มันก็จะลาบาก พอเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนอาจารย์องนี้ไปเปลี่ยนอาจารย์องนั้นเดี๋ยวมันก็ก็จะสับสนได้อาจารย์องนั้นสอนอย่างนี้อาจารย์องนั้นสอนอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันต้องอยู่กับที่อยู่กับอาจารย์ไปก่อนหาอาจารย์ที่ถูกกับเราแล้วก็เรียนจากอาจารย์นั้นไปจนกว่าเราไม่ต้องพึ่งอาจารย์แล้วทีเราต้องการที่จะไปเข้าห้องสอบทดสอบอยู่ตามลำพังพึ่งตัวเราเองแล้วตอนนั้นถึงค่อยไปหาที่หาที่ถ้าที่ไหนไปแล้ว มันนั่งมันเจริญดีก็ไม่ต้องย้ายก็ได้ถ้ามันไม่ได้ทำให้เราขี้เกียจมันไม่ได้ทำให้เรา เ, เราทะเลทลายหรือพาเราออกนอกลูก่นอกทางแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปที่ไหนที่มันทำให้เราเจริญก้าวหน้าแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าอยู่ไปนานๆเดี๋ยวเกิดมีอุปสรรคต่างๆคนนู้นมายุ่งคนนี้มายุ่งคนนี้มาเกี่ยวข้องด้วยทาให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้เราก็ต้อง เปลี่ยนที่มันต้องมีเหตุมีผลว่าเราเปลี่ยนเพื่ออะไรโดยหลักก็คือเพื่อเปลี่ยนเพื่อให้เราได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่ให้เราเจริญก้าวหน้าในธรรมแต่ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติตันที่อยู่ในที่นั้นแล้วสามารถเจริญก้าวหน้าในธรรมไปได้เรื่อยๆก็ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนมันก็มีเหตุผลของมันเพรนเวลาเราเปลี่ยนที่เราต้องรู้ว่าเปลี่ยนทําไมถ้าเราต้องการที่จะยังไม่มี สมาธินั่งแล้วหลับ่างนีเราก็ไปหาที่น่ากลัวนั่งแต่ถ้าไปนั่งสักพักเดี๋ยวมันชินที่นั่นมันก็ไม่กลัวแล้วก็ต้องไปหาที่ใหม่หาที่มันน่ากลัวขึ้นมาบางภาพบางรูปท่านนั่งสับประหกท่านเลยเป็นเรื่องนั่งที่หน้าปากเขียวเวลาสับประหกกลัวที่ยงเลย หนูเคยลองทีหนึ่งนะคะสงบค่ะแล้วยังสับเองอ่ะตอนนั้นมันง่วงมันเคลียมากก็เลยเลิกเลยค่ะกลัวกลัวจะตกแควิญญาณพระอาจารย์ครับแล้วเหตุผลที่พระอาจารย์ย้ายจากวัดป่าบ้านตามมาที่นี่คือเหตุผลอะไรครับอาจารย์อ๋อก็เพราะว่าหนึ่งพอดีพ่อไม่สบายก็เลยสองก็อยากจะอยู่คนเดียวอยู่ในวัดแล้วมันก็ มีภาล่หน้าที่มีคนรู้จักมีอะไรเกี่ยวข้องกัน응ก็เลยออกมาแล้วก็เลยหาที่ที่จะมาอยู่คนเดียวไม่มีใครยุ่งก็ได้มาอยู่บนเขานี้ช่วงที่เรามาอยู่ใหม่ๆไม่มีใครไม่มีใครมายุ่งแล้วก็อยู่ของเราสบายแต่พออยู่ไปนานๆเข้าคนก็เริ่มรู้จักขึ้นทีละคนสองคนสามคนสี่คน <laughs> <laughs> ครับทางเดินจงกรมสําหรับแค่ผู้ปฏิบัติบนเขาครับจะมีอยู่อันหรือสองอันที่เป็นรอยฟ้าครับนั่นจงใจแบบว่าทัารก็ที่มันบังคับพอดีนึ้วก็รอยฟ้าแบบให้มีสติด้วยกันเดินตอนนั้นเขาจะท้าให้ทำลาวเราไม่อย่าไปทําราวเลยทําราวแล้วมันไม่ไม่ไม่หวาดเสียวมันจะทําให้ไม่มีสติแต่เราอย่าไปทําราวเป็นโค้งอันตรายแล้วเป็นสั้นเพนชั่นด้วยครับ มันทางยกระดับไงเพราะเพราะเขาเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ลาบไงมันก็เลยต้องทำทาเหมือนเหมือนกับทางด่วนน่ะทางด่วนาดับนปกติคือล่วงสูงะสูงี่เมตรนีสสี่เมตรถ้าตกออกมาก็เดินแล้วเตือนแล้วนี้บาลานซ์ไม่วกะไรนะ แบบกายกรรมรเลยอันนี้ไม่ต้องบ า, างลานะขางกว้างประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดห้าสิบเมตรกว้างพอเดินได้ตอนนี้ที่ข้าโมนี้มันเป็นเขาที่มันไม่เรียบเอียงทก็ต้องใช้สะพานให้มันทำเป็นสะพานให้มันเดินเรียบ <c oughs> เนี่ยที่ให้ทำแค่อยู่ในป่าทำนี้เพื่อจะให้มีสติ เพราะว่ามันมีงูมีสัตว์อะไรอยู่เลื้อยไปเลื้อยมามันก็เวลาทํเราเดินนี้เราจะต้องมีสติใจไม่ลอย ค, คิดนู่นคิดนี่มันจะเดินที่เท้าแล้วว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันมันก็จะเดินดูว่ามีอะไรเลื้อยไปเลื้อยมาเปล่าแล้วที่พักก็ไม่มีไม่มีฟ้ามีแต่หลังคามีเสาสีเสาแล้วก็หลังคา กลางกดกลางมุ้งเอาอยูนะอ่งูมันจะเลื้อยขึ้นมาก็ได้อะไรสัตว์จะขึ้นมาก็ได้อยู่แบบให้มันเตือนให้มันมีสติอยู่น อ, อก็มีสติอ่านอนไม่มากนอนสี่ห้าชั่วโมงก็ตื่นแล้วตื่นแล้ก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อเนี่ยฝรั่งเขาอยู่เมืองนอกเมืองนาเขาสามวินมาเพื่อมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยมีคนยังเป็น ชาวสเปนแต่ไปทำงานที่เยอรมันปีหนึ่งก็มาสองครั้งมาอยู่เดือนหนึ่งพอดีเขาได้วันหยุดเดือนหนึ่งนี่มาอยู่ได้ครบจะกลับวันสองวันนี่ะมาได้ปีหนึ่งละปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาแล้วเขาจะบอกเขาจะทำงานอีกสองปีเพราะว่าเขาถ้าถ้าเลิกตอนนี้ <c oughs> เขาจะไม่ได้บนานาญ <c oughs> แต่ถ้าเขาทำอีกสองปี <c oughs> เขาจะได้บำนาญแล้วเขาคิดว่าถึงเวลานั้นเขาก็จะบวช ที่มีบํำนามไว้ก็เผื่อไว้เกิดถ้าบวชแล้วไปไม่รอดก็อย่างน้อยก็ยังมีอะไรเป็นสํารองได้อยู่ที่นี่พักห้องพักจองได้แค่เด็นเดียเออได้เพระาะว่าคนมันเยอะไง<ะ>ที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ก็บางทีมาก็เต็มอันนี้ข้างบนนี้สําหรับผู้ชายอันนี้อยู่กับพระนี่มันที่อยู่ของพระนะทําพวกแค่นี้อยู่ประมาณมีอยู่ประมาณสักสิบสิบเอ็ดหลังกระจายอยู่ในป่าเนี่ย ม, มีห้องน้ําห้องน้ำต้องมาใช้ส่วนรวมแล้ใช้ร่วมกับกวางกับกวางไม่เห็นมันมีห้องน้ําเลย okay, อ <c oughs> พวกเล้งพวกกวางมันก็ไม่เห็นมีห้องน้ำมันก็อยู่ได้พระทุดงเวลาไปในทุดงในป่าท่านก็ไม่มีห้องน้ําก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนที่ทุดงเนยบนเขานี่เหมือนเป็นเหมือนสถานที่ทุดงให้คนที่ต้องการจะอยู่ในป่าอยู่กับความเงียบอยู่กับความสงบมาอยู่ เพราะสถานที่สงบมันช่วยทำให้นั่งสมาธิได้ง่ายจต่รสติได้ง่ายกว่าได้ประโยชน์กว่าได้ผลดีกว่าแล้วแล้วถ้าพตึกา3เสร็จจะเพิ่มวันขึ้นไหมคะไปรู้อันนี้นต้องไปถามทางที่เขาจัดการ อ, อยู่เราไม่เกี่ยวเราไม่ได้เราเราดูแลแต่ข้างบนนี่ <c oughs> ดังนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการเขาเขาจะสร้างตึกเพิ่อมอีกตึกนะเขาสร้างมาเพิ่อมอีกตึกแล้วอ่ะ อันนี้ต้องไปถามพอดูถามที่สันนิษกานกอดูเปิดโอกาสให้คำถามทั้งบ้านนั่งไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเจ็ดค่ะแล้วตอ น, นเฟซบุ๊กก็เลยอ๋อเฟซบุ๊กอตอนนี้เหลือสามรอสิแต่มีถึงเกือบสี่ร้อยครับรอาจารย์คำถามจะคุณพิมพรนะครับถ้าเราเป็นผู้ถือศีลห้าและปฏิบัติธรรมแต่มีครอบครัวแล้ว เราต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวสามีและลูกของเราและทำความสะอาดในบ้านด้วยถามว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือศีลใช่ไหมคะผู้ถือศีลก็คือผู้ที่มีศีลห้าศีลแปก็เรียกว่าผู้ถือศีลไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีงานมีการมีทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอันนั้นก็เรื่องของคนทำงานไปเรื่องของการมีศีลกับเรื่องของการมีศีลไปมันคนละเรื่องกันอย่าเอามา คนกันคนที่ไม่มีศีลคนที่ทำงานแล้วไม่มีศีลก็มีคนที่ทำงานแล้วมีศีลก็มีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำงานหรือไม่ทำงานอยู่ที่ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลถ้าเรารักษาศีล5เราก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลห้าถ้าเรามีศีลแล้เราก็เป็นผู้มีศีลแปดถ้าเรามีศีล2 7ง้เราก็เป็นผู้ที่มีศีล2 2 7อ่มันอยู่ที่เรามีศีลหรือไม่มีศีล ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรรือไม่ทำอะไรไม่มีคำถามเลยเลยมีครับอาจารย์แต่ว่าไปแล้วเลยค่ะเอาเลยจะไปชั่วโมงลงเหมือนเดิมอ่าอย่างเเลยอ่าแล้วมารายงานให้ฟังแล้วโอกาสเล่าขึ้นมามาเล่าให้ฟังอ่าจะมาเล่าออให้ท่านได้คุยอันนี้ไม่ได้บังคับนะเพียงแต่เสนอแนะนำเน่านี้ การอยากจะ ท, ก ท, กทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้่ยังยืนยัน3ชั่วโมงค่ะกลัอบแล้วค่ะอะสาธุไปคําถามจะครุณเ <c oughs> กตนิพานนะครับการที่กําหนดลมหายใจตลอดเวลาสลับกับสวดไตรสามาคมสวดพุทธคุณธรรมาคุณสังฆ ค, คุณ แล้วรู้สึกไม่ได้นอนคะ่ะแต่ก็นอนพอรู้สึกตัวก็จะสวดทุกครั้งไปดูเหมือนไม่ได้นอนแต่ก็ไม่อ่อนเพลียเป็นเพราะอะไรคะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ให้เรารู้ทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> เรื่องเรื่องของคุณคุณยังไม่รู้แล้วเราจะไปรู้ได้ไง คำถามยังไม่เข้ามาเพราะเห็นเราคุยกันอยูนะ่เพราะเวลาเข้ามาแล้วมันเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมคําถามใหม่มันก็จะขึ้นมาทับคําถามเก่าเอ๊ะทำไมเวลาตอนที่ไปดูตอนที่มันเลิกเลิกถ่ายทอสดสดแล้วเป็นคลิปทำไมคําถามส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะใช่ครับตอนนั้นจะขึ้นมาข้างบนพอเสร็จแล้ว แต่ว่าตอนถ่ายอไม่ขึ้นบางทีอยู่ข้างล่างบ้างบางทีข้างล่างนี่จะมีแต่สาธุสาธุใช่ใช่ครับมาสั้นๆจะไปข้างล่างแต่ถ้าข้างบนนี่จะมีคําถามแล้วก็จะเลือกเลือกเพราอมันคำคำอะไรมันยาวมันก็ไว้ข้างบนก่อนว่าคาที่สั้นๆก็ก็เลยไว้ข้างล่างคําถามเกุลสงศ์สีนะครับระหว่างวันที่โยมทํางานประจําอยู่หลังเลิกงานแล้วช่วงค่ำโยมจะสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนจําเป็นไหมครับ จำเป็นเลยต้องสวดมนต์หรือเปล่าเลยครับก็ได้จะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ถ้าจะนั่งสมาธิเลยก็ได้แล้วแต่บางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็เป็นการกล่อมใจไว้เป็นเป็นการเตรียมใจให้ได้นั่งสมาธิได้ก่อนเพราะก่อนจะนั่งบางทีมันคิดเยอะมากเรื่องวุ่นวายต่างๆก็เอาความคิดนี้มาสวดมนต์มันก็ทําให้ความคิดต่างๆมันสงบตัวลง แล้วพอมันสงบตัวลงแล้วก็นั่งต่อได้คำถามจากคุณชวนนะครับสามีถือศีลแปดหรือภรรยาถือศีลแปดตั้งใจถือศีลแต่ต้องทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจเพราะยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้ก็จะทําให้ความเป็นสามีภรรยามีปัญหาถ้าเกิดแบบนี้ควรทําอย่างไรก็ต้องเลือกจะเอาสามีหรือจะเอาศีล คำถามจะคุณพัสกรนะครับผมนอนสวดมนต์จนหลับทุกวันบาปใหม่ครับไม่บาปแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้สมาธิไม่ได้สติได้นอนหลับ <c oughs> ก็ดีตอนที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อยานอนหลับ <c oughs> หมดแล้วนะวันนี้วันถามน้อยคำถามจะคุณแมนแมนแดเนิวอะไรม แม็กแดเนียลแมกแดเนียลเขาเขียนภาษาไทยมีสตินั่งลืมตาใจไม่มีความคิดใดๆไม่มีความคิดใดๆเกิดเห็นและอยู่ได้ในความว่างสิ่งนั้นเป็นสติไม่คิดปรุงแต่งใช่หรือไม่ถ้าไม่คิดอะไรก็แสดงว่ามีสติควบคุมความคิดได้คำถามจากคุณออยลี่นะครับซื้อผลไม้มาไหว พระพุทธที่บ้านทุกวันพระแล้วลามาทานได้ไหมได้ไ ม, ไม่บาบหรอกแต่ไม่ได้บุญนะพระพุทธรูปท่านกินไม่ได้ผลไม้ถ้าอยากจะได้บุญต้องไปใส่บาตรแต่คงได้แค่ความสุขกางใจนะค ร, รับอาจารย์ก็เป็นการเล่นลิเกนั่นเอไม่รอเจ้า <c oughs> มันไม่ได้เสียสลนะไงบุญเก ER ิดจากการเสียสละ การแบ่งปันการให้อันนี้ไม่ได้ให้อะไรก็เหมือนเราก่อนจะดื่มน้ําเราก็ไปตั้งไว้ตรงนั้นพักกันเดี๋ยวเสร็จก็มาดื่มนอกจากลาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นต่อลาไม่ลาก็เหมือนกันพระท่านไม่รู้เรื่องหมายควาว่าเาให้คนอื่นต่อถึงจะได้บุญเนาะจ้อต้องเอาไปให้คนอื่นถึงจะได้บุญถ้ากินเองก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะไหว้พระท่านให้ว่าไหว้ด้วยการปฏิบัตินี่ยืปฏิบัติบูชา สมาธิก็ได้ใส่บาตก็ได้อันนี้ก็เป็นปฏิบัติบูชารักษาศีลก็ได้ก็เป็นปฏิบัติบูชาใส่บาตก็เป็นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นปฏิบัติบูชาถ้าอยากจะไหว้พระเนี่ยอย่าไปทำกับข้าไปวางไว้ข้างหน้าพระผลละมงผลละไม้ไปวางเสร็จแล้วก็มากินเองมันก็เหมือนกับหลอกตัวเองไปอย่าง้นใช่ไหม ถ้าอยากจะไดะ้ได้บูชาก็ทําแล้วก็ไปใส่บาตรเอาไปให้พ่อให้แม่ก็ได้ทํากับข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติบูชาแล้วมีคําถามมาครับอาจารย์เป็นคําถามที่อแต่ก็ลองถามได้ครับไม่เสียหายไม่สบายจากคุณหนูหนไกลนะครับไม่สบายกินยาฆ่าเชื้อบาบไหมครับ อ, อ๋อไม่บาดแล้วเพราะเชื้อโรคมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณ อ่าได้ยังงั้นก็รักษาร่างกายไม่ได้เลยมันเป็นแค่เซลล์ไงคือของพวกนี้เหมือนต้นไม้ไงต้นไม้มันก็มีมันก็มีเซลล์แต่มันไม่มีวิญญาณมันมีการมันไม่มีตัวรู้ตัวรับรู้ตัวคิดปรุงแต่งร่างกายนี้เรามีใจมาเกี่ยวข้องด้วยยังใครไปแตะต้องร่างกายนี้ใจมันจะโกรธมันจะคาดพยาบาทมันจะจองเวรจองกรรมกันมันจะต่อสู้กัน อยู่ที่ตรงนั้นเท่านท่านั้นหมอแม่ไปทำร้ายร่างกายของคนอื่นคําถามเจ้าคุณพีโกนะครับได้ยินตลอดโลภโกรดหลงคําว่าหลงคือหลงอะไรคาว่าหลงก็คือหลงว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไงลาบยศเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้มันเป็นทุกข์แต่เรายังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขอยากได้กันเหลือเกินได้แล้งก็มาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์กับมัน ทุกข์กับทุกข์กับลามยศสรเสรใช่ไหมก็ได้แล้วก็ไม่พอแล้วก็เวลาหมดก็เสียดายทั้งก็เลยทุกข์กต็นั่นแหละเลยก็ผิดไงเห็นผิดไงเห็นผิดเป็นทุกขเห็นทุกข์เป็นสุขไงก็เพราะความไม่รู้ก็เพราะความหลงก็เพราะไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเนี่ยถ้ามาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ย ลาบยศสลรเสริญสุขเป็นทุกข์ ignorant มันตรงนะอิกโน a n นก็ได้ดูลูเช่นกัได้มีอีกไหมไม่มีก็พอแล้วนะอ่าวว่างเล ตอนนั้นคือนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งรอบข้าที่มันดังมากๆเนี่ยค่ะมากกระทบเราอะค่ะจิะตก็จะวางแล้วก็จะนิ่งอะคะอ่ะแล้วก็แล้วก็จะจะจ ะ, จะมีคำมาให้เราม า, ม า, ม, ามาพูดว่าสติปัญญาสติปัญญาแล้วก็จิตจิตก็จะวางเพกลับมาบ้านพอมาเจอสิ่งอะไรที่กระทบอจิตไม่ไม่ได้รับในในในในความรู้สึกใดๆเลยนะคะเพราะการตอนนั่งสมาธิจิตสงบมันจะไม่มันไม่มีอารมณ์กับอะไร แต่สักพักมันก็จะหมดไปเหมือนเติมน้ามันรถเนี่ยหที่หมดเป็นเพราะว่าการวาไม่สม่เสมออย่าง้เราไม่เติมมันอยู่เรื่อยๆไงเราเอามาใช้เดียวมันก็หมดแล้วเหมือนไฟที่เราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เราชาร์จมันนี้ชาร์จไปเราใช้มันไปสักพักมันก็หมดหมดก็ต้องชาร์จใหม่ก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วมันจะได้เฉยได้นาน ถ้าภาวนายอยู่นะเจ้าค่ะก็จะเห็นพิจารณาเป็นลักษณะข้างในตัวเอง่ะค่ะก็จะเป็นการพิจารณากระดูกกะเล้าค่ะก็แล้วแต่ว่าเรานั่งเพื่อต้องการให้มันเฉยหรือต้องการให้มันรู้ถ้ารู้ก็พิจารณาถ้าต้องการให้มันเฉยก็อย่าพิจารณาแล้วเราควรจะไปในทางไหนเจ้าค่ะอ่าแล้วตอนที่คุณนั่งตอนนั้นคุณได้นั่งในใ น, นทาง อ่าแล้วมันเฉยได้ไงล่ะมันไม่เฉยมันก็ไม่เฉยทก็จะพิจารณาอ่าแล้วตอนนั้นที่กูเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันเฉยมัน่คือตอนตอนช่งเข้าพรรานะ้องการมันว่านิ่งก็วางไปอมันนั่งยังไงมันถึงนิ่งอะไม่รู้เหมือนกันเฉยอะค่ะเฉเฉนั่นแะมันมันเฉยยังไงอ่ะมันทำาไงห้มันเฉยแต่ก็ยังไม่ดีเลยอ ดีหรือไม่ดีอะดีเพราะเราไม่ทำเองอะทำเองมันสลับกับการพิจารณาก็ได้พิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงเห็นร่างกายนี้มีอาการสามสิบสองไม่สวยไม่งามเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอวัยวะต่างๆ ต, ตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไม่ใช่ตัวเราของเรา ให้เห็นเพื่อจะปล่อยวางไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายสลับกันให้มันนิ่งบ้างสลับกับให้มันรู้บ้างให้มันมันต้องมีทั้งสองอย่างมันต้องทั้งนิ่งทั้งรู้มันถึงจะครบสมบูรณ์หมดแล้วนะเวลาเอากันนี้ก่อนนะเพื่อ่อสมควรก็ขอให้นาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดพเพจนาะไปปฏิบัต